นี่คือรายการทาและทัศนาชีวิตพงศ์สินนทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าจัดพระปราบเรื่องนางจินจมานวิกาที่ว่าบุคคลผู้ล่วงทมอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเถิดมีประโลกอันคามเสียแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มี ถ้ามันเอกในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจะสัจจะหมายความว่าคนไม่มีสัจจะมาพูดเถ็ดท่านว่าคนใดที่พูดสิบคาจะหาจริงสักคำหนึ่งก็ไม่ได้คนนั้นชื่อว่ามักพูดเถ็ดสิบคำนะครับสิบคามาคำจริงสักคำหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าพูดร้อยคา คำจริงสักสิบคำก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่มักพูดเถ็ดเป็นคนที่มักพูดเถ็ดเชื่อถือไม่ได้ที่นี้ก็ที่ว่ามีปาโลูกอันคำเสื่แล้วก็คือไม่เชื่อเรื่องโลกนาบุคคลไม่มีสัจจะมักพูดเถ็ดและไม่เชื่อเรื่องโลกนาจะไม่ทําบา เป็นไม่มีแล้วที่นี้สัจจะในที่นี้ท่านหมายเอาสัจวาจาคือความจริงทางวาจาก็หมายความว่าพูดจริงนะครับอะไรก็ตามนะครับคำจริงที่นักปราชญ์ท่านสรรเสริญ น, นั่นต้องเป็นความจริงที่มีประโยชน์แล้วก็ถูกต้องตามทํานองค์ธรรมตั้งภาษิต ที่พระวังคีสได้กระไว้ต่อพระพักต่อหน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคจะว่าสัจเจอัเทจะทำเมจะอ ห, หุสันโตปฏิติปแปลว่าสัจบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมถ้าเป็นสัจจะก็ต้องเป็นสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม เมื่อเป็นอย่างนี้สัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและก็ไม่ถูกต้องแม้จะจริงประท่านก็ไม่สั่เสรดคำเท็จแต่ผู้พูดมุ่งประโยชน์และสําเร็จประโยชน์อย่างดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังท่านให้อภัยสินขาดนะครับสินขาดสินข้อมูสาวาดขาดแต่ท่านให้อภัยไม่ถือเป็นบาป ตัวอย่างเช่นหมออาจจะกล่าวเทศแก่คนไข้ของตนเพื่อไม่ให้คนไข้เสียกำลังใจเพื่อให้มีกำลังใจโรคจะได้หายเร็วเพราะท่านว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายาหมอจึงต้องให้กำลังใจแก่คนไข้เสมอแม้รู้ว่าต้องพูดเท็ดบางก็ยอบ อันนี้ทางจริยศาสตร์เขาเรียกว่าพริมาควาซีเดียกีก็หน้าที่ที่จะต้องทําก่อนอันเป็นเรื่องของหน้าที่ที่จะต้องทําให้ถูกต้องแม้จะพูดไม่จริงไปบ้างแต่ก็เพื่อประโยชน์ออย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าพูดเท็จแต่ก็ไม่ท่านให้อภัยแล้วก็ไม่ถือเป็นโทษ การพูดเท็จที่มีโทษมากทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือการพูดเท็จที่หักหานประโยชน์ผู้อื่นใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นยกตนเกินความจริงหือว่าเป็นการประโยชน์ผู้อื่นมากเช่นว่าเป็นพยานเท็จในศาลพูดไปแล้วทําให้เขาพ่ายแพ้เสียทรัพย์สินหมดเนื้อหมดตัว อ, อันนี้ก็เรียกว่ามีโทษมากหักการประโยชน์ผู้อื่นคนสมัยโบราณถือสัจจวาจาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกษัตริย์นะครับหรือผู้เป็นใหญ่ถึงพูดกันติดปากว่ากษัตริย์จัดแล้วไม่คืนคำา้าท่านถือสัจจะเป็นสำคัญนี่ก็คนที่มักพูดเถ็ด คนอื่นก็ขาดความเชื่อถือพอถึงคราวสำคัญจะต้องพูดจริงขึ้นมาบ้างคนอื่นก็ไม่เชื่อถือก็ได้รับอันตรายเองอย่างเรื่องมาป่ากับเด็กเลียงแกะในนิทานอิศพนะครับเด็กเรี่งแกะคนหนึ่งชอบพูดเท็ดว่ามาป่ามามาปาม า, ม า, า, มาคนก็ถือไม้ค้อนก้อนดินออกมาเพื่อจะช่วยเหลือไล่มาป่าที่จะมากินลูกแกะ แต่พอออกมาจริงเด็กก็หัวเราะราสนุกกับการที่ได้หลอกผู้ใหญ่ชวนกันวิ่งออกมาออย่างนี้วันหนึ่งก็หมาป่าออกมาจริงๆก็หมาป่าออกมาจริงๆคนก็ไม่วิ่งออกมาไม่ออกมาช่วยก็นึกว่าจะถูกลอกอีกอเด็กก็เลยเสียแกะลูกแกะไปในทางศาสนาท่านว่าสัจจะเป็นคําไม่ตาย สัจจังเวอมตะวาจาสัจจาวาจาที่วาจาที่เป็นสัจจาหรือสัจจาวาจาเป็นวาจาที่ไม่ตายเอสัทธรรมโมสนันตโนนี่ก็เป็นธรรมเกา่าสนันตโนเป็นธรรมเกา่าโบราณกูธรรมโมเป็นธรรมเกา่าหรือเป็นภาษาอังกฤษท่านใช้คําว่าอ e ิเทนันอิเทนันโล นะเป็นกฎที่ยั่งยืนนะเป็นกฎที่เที่ยงยั่งยืนตลอดไปจอเป็นเอ็งเช่นรอเป็นอเทธนัลรอเรือเงเช่นรอเป็นกฎโบราณที่ถือกันมาแต่โบราณจะเป็นกฎที่ยั่งยืนอยู่ได้ไม่รู้จักตายคนพูดจริงนำประโยชน์มาให้ตนและคนทั้งหลาย นำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสนำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งยิงขึ้นไปอย่างเช่นในอัตฉรถาท่านเล่าถึงอธิมุตตะสา ม, มนเนรผู้ให้สัตยาไว้กับโจรไว้แล้วก็รักษาสัตยานั้นกกลับมาให้โจรค่าเพื่อจะบูชา ย, ยันหรืออะไรก็แล้วแต่โจรจะทำไม่ได้วงใยในชีวิตของตน และมานดาจ น, จนเกิดความเลื่อมใสอีกท่านหนึ่งคือท่านม า, าสุตโสมบันดิตในมาหาสุตโสมชาดกจะาทรงให้ปฏิญญากับโจดโจนโพลิาสานโจนโพลิาสาทก็คือพรมทัตกุมารที่เคยเป็นเพื่อนกันเขาก็รักษาสัญญานั้นไว ไม่ได้หวงแหน่รักษาชีวิตเลยท่านเหล่านั้นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาสัตย์ยาในที่สุดก็ทำให้โจโรโพลิสัต์เริ่มใส่ได้เลิกเป็นโจรเลิกฆ่าคนให้ได้มาตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในธรรมประพฤติธรรมบัณฑิตถือว่าการนิ่งเสียไม่พูดทำประเสิฐกว่าการพูดเถ็ด เพื่ อ, อาการประโยชน์ผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นคำสัตว์ท่านถือว่าเป็นคำสุภาษิตยอย่างหนึ่งทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไหว้ปรากฏในสุภาษิตแต่สุดในปัญจาการนิบาทังคุตรนิกายว่าวาจาประกอบด้องค์ห้าถือว่าเป็นสุภาษิตเป็นึงพูดถูกการ 2พูดริงสามพูดไพเราะอ่อนหวานสี่พูดมีประโยชน์แล้วก็ห้าพูดด้วยจิตเมตตาส่วนในพระสูตรอีกสูตรหนึ่งคือสุภาษิตสูต ร, ตรในสุตตนิบาตพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้านะครับหน้าสี่ร้อยสิบเอ็ดภาษาบาลีครับสแสดงลักษณะทรงสแสดงลักษณะคำสุภาษิตไว้สี่อย่าง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 คือไม่สามารถจะเอาความจริงมาพูดได้เป็นคนกลาดเพราะไม่กล้าพูดความจริงอาจจะมีคนพูดเท็จแย้งว่าคนพูดความจริงต่างหากที่เป็นคนสิ้นคิดเพราะไม่สามารถจะหาคำเท็จมาพูดได้อันนี้ก็ขอแล้วแต่จะคิดกันไปว่าธรรมดาความจริงเป็นสิ่งที่มีแล้วในชีวิตประจำวันไม่ต้องเที่ยวสแสวงหา แต่ความเท็จจาเป็นต้องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาใครจะพูดความจริงก็พูดได้ทันทีตามที่รู้ตามที่เห็นเพราะฉะนั้นพวกเด็กๆ ก, ก็พูดความจริงได้แล้วก็พวกเด็กที่ไร้เดียงสาก็มักจะพูดความเท็จไม่เป็นยังไม่ได้ อ, อยังไม่ได้อัดพูดเท็จ อย่างอินโนเซนต์อยู่อย่างาบริสุทธิ์ไร้เจียงสาอยู่แต่คนที่พูดเท็จเก่งจะต้องเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงราะว่าสามารถจะพูดเรื่องไม่จริงให้คนเห็นว่าจริงได้ก็มีคนบางคนแล้วมีอยู่คนหนึ่งแล้วว่าพูดเท็จเก่งจนเป็นที่เล่าลือมากว่าเป็นคนที่พูดเท็จเก่งแลววันหนึ่งก็วิ่งไป วิ่งไปผ่านทุ่งนาก็มีคนกําลังเกี่ยวข้าวคนที่เกี่ยวข้าวอยู่สองสาคนก็เห็นข้าก็บอกให้หยุดบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนไอ้คนผู้เต็ดนี่ถามหาหยุดทาไมบอกว่าหยุดพูดโกหกให้ฟังก่อนแล้วค่อยไปแต่บอกว่าวันนี้ไม่มีเวลาวันนี้ไม่มีเวลาที่จะพูดโกหกออแต่ว่านึกได้ว่าที่บ้านก็บอกว่าให้รีบกลับเพราะว่ามีธุระสาคัญ ตะกี้วิ่งผ่านมาก็บอกว่าทางบ้านของคุณนั่นแหละบอกให้รีบกลับเพราะว่าเพิ่งผ่านมีธุระสาคัญแต่คนที่เกี่ยวข้าวอยู่ก็รีบกลับใหญ่เลยกลับไปหรือตอบไปคนที่บ้านไม่ทำทำไมรีบกลับกหรือกลับมาก็บอกว่ามีนายโกหกนั่นไายคนนั้นบอกว่าที่บ้านบอกให้รีบกลับทางบ้านเขาหัวเราะกันเขาไม่ได้บอกไม่ได้สั่งอะไรเลยนะโกหกทิ้งไปแล้ว บอกว่าไม่มีเวลาวันนี้ไม่มีเวลาที่จะโกหกมีเวลานิดหน่อยมันโกหกทิ้งไปแล้วเราเรียก ว, ว่าฉลาดในการพูดเท็จไม่โกหกเองอะไก็ตามนะครับคนที่มักพูดเท็จเนี่ยจะต้องมีความจำดีจึงจะพูดเท็จไปได้ตลอดเลยจะต้องคอยจดคอยจำว่าเคยพูดเท็จไปอย่างไรบ้าง ถ้ามีเะนนั้นจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนเมื่อมีผู้จับได้บ่อยคราวความเคารพเชื่อถือในบุคคลนั้นก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความรังเกียจเยียดยามหัวเราะเยาะจะพูดจาอะไรจริงจังสักครั้งหนึ่งคนทั้งหลายก็เห็นเป็นเท็จไปอีกถ้กลงว่าเสียคนไปทัท้งจาตเป็นี่ส่วนข้อที่ว่าผู้มีปรลโลกอันข้ามเสียแล้วนั้น ก็คือว่าไม่เชื่อประโลมไม่เชื่อว่าชัดหน้าจะมีจริงก็ไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องชัดหน้าเข้าทํานองว่าขอมีความสุขสบายในชัทนี้ชัดหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันชัดหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันขอสบายในชัทนี้ก่อนพระเถ迦ถาจัน อธิบายพระคาถานีได้กล่าวไว้ว่าผู้มีปรารภุกันปล่อยเสียแล้ววิสัต t h ประมะปรารโลกสะสัวิสัต t h ปรโลกสะสัรตีความว่าไม่เอาใจใส่ต่อปรารกคือโลกหน้าเทียบกับคําว่าวิสัต t h สมาจารุเพราว่าผู้มีความประพฤติอันปล่อยแล้วคือไม่เอาใจใส่ต่อความประพฤติ ไม่มีมัญยาตันดี ง, งามปล่อยกิริยาวาจาตามสบายเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เรียกพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาบางพวกเหนพวกเปลือกยกายไว้ผมยาวไม่สางไม่ล้างไม่สะเกตุใจร้านด้วยมือเป็นต้นนักบวชพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสมาจารอันปล่อยจะแล้ว คำว่าวิตินปะปารโลกัสสะหรือ ว, ว่าผู้มีปารโล ก, กันข้ามเสียแล้วนี้คำแปลเป็นเป็ น, ปนภาษาอังกฤษฉบับของดร ร, ราธาคฤ ษ, ษ, ษนันนักปรทยาชาวอินเดียท่านแปลคำนี้ว่า s c o r อ s at a n o t h e เว o r l แปลว่าเยอะเยยเรือว่าเราะเยอะโลกอยู ไรลงความว่าไม่เชื่อโลกอื่นหัวเราะเยาะโลกอื่นไม่เชื่อโลกอื่นใครเชื่อข้าวคนพวกนี้ก็หัวเราะเยาะหัวเราะเยาะว่าเป็นคนโง่ไม่กล้าทำคําชั่วบางอย่างเพราะเกรงโทษในบโลูเป็นการปลุกกาสให้คนอื่นเอาดัฐอกิดในสมัยพระพุทธเจ้า ก็คงจะมีนักคิดพวกนี้เหมือนกันสายนี้เรียกนักคิดพวกนี้ว่าพวกจเราวากจเราวากเป็นพวกวัตถุนิยมบรรดาประญาอินเดียนั้นมีจาราวากสายเดียวเท่านั้นที่ได้รับนามว่าเป็นประญาวัตถุนิยมเมทรีนลิซึมถือว่าวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นจริงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณ เป็นเรื่องเหลียวไหลความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นผลของวัตถุหมายความว่ามันมีขึ้นเพราะมีกายจิตวิญญาณ น, นั้นว่าโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีมนุษย์หรือสัตว์จึงเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นจากธาตุคือดินน้ำไฟลมเมื่อตายแล้วก็เป็นอันหมดกันไม่มีโลกนาไม่มีนรกไม่มีสทวรัไม่มีนิพพาน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 จงกินจงดื่มจงเพลิดเพลินเสียแต่วันนี้ความเพลิดนั่นเองเป็นสาระสําสคัญของชีวิตแต่เชื่อว่าความเพลิดเพลินเป็นความเยียนสูงสุดของมนุษย์อันนี้ก็ไปตรงกับทัศนสุขานิถางจริยศาสตร์่ใช่คาว่าอิโดนิสุมอิโดนิสุมผู้สุขันจมก็เป็นผู้อิโดนิส เชื่ออย่างนี้ว่าความเพลิดเพลินเป็นความเรียนสูงสุดคือว่าให้ได้ทําอย่างที่พอใจชีวิตเป็นที่สุดของชีวิตเองชีวิตเป็นที่สุดของชีวิตเองคือไม่มีชีวิตใหม่อีกแล้วทํานองเดียวกับที่ฝรั่งบางพวกตรอว่าเราผ่านมาทางนี้เพียงครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องควบคุมกิเลสนา ันชาติยานทังต่างเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่รับช่วงกันมาเพราะฉะนั้นจะะาจราวาจยงเห็นว่าเมื่ อ, อยังมีชีวิตอยู่จงสนุกสนานเพลิดเพลินให้เต็มที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายกินอาหารดีไม่จะต้องเป็นนี่เป็นสิน้นก็ต้องกินต้องอยู่อย่างดีก็ควรทา เขามีสุภาษิตของเขาว่ายาวิชีความสุ ข, ขัมจีเวอินั่งกัตตาวัดาทิมพีเวพรสมิกตัดสะเดหัสสะปุราคมานังกุโตเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่ก็ขออยู่ยังมีความสุขแม้จะต้องกู้หนี้เยืมสินมากินก็ยอมว่าพึ่งกู้หนี้เยืมสินมากินส้มอไรอย่างนั้นขนมส้มเป็นอาหารประหนี้ทั้งหนึ่งของยาวอินเดีย ปัจจุบันก็เรียกว่าไดฮีให้ไดฮีก็เป็นนมสดเปี้ยวหน้าร้อนนี่คนอินเดียชอบกินกันมากเหมือนคนไทยชอบกินโอเลี้ยงอทำนองนั้นคือว่าร่างกายกลายเป็นเท่าฐานแล้วจะกลับมาอีกไม่ได้ออันนี้ก็เรื่องของจาราวากนะครับที่เขามีความเชื่ออย่างนั้นคนเราก็เป็นไปตามความเชื่อ ปฏิปทาการดำเนินชีวิตอะไรก็เป็นไปทางความเชื่อ